อาการที่จะต้องอาบัตินั้น6กอย่างคืออรัชิตาต้องด้วยเมละอายหนึ่งอายานตาต้องด้วยไม่รู้หนึ่งกุกจุจจปกัตตาต้องด้วยสงสัยและขืนท ร, รหนึ่งอากัปปเยกัปปิยาสัญยิตาต้องด้วยสำคัญว่าควรในของไม่ควรหนึ่ง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 ภิกษุไม่รู้ว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นมีพระบัญญัติห้ามไว้และทำล่วงพระบัญญตัติดังนี้ต้องด้วยไม่รู้ภิกษุสงสัยอยู่ว่าทาอย่างนั้นอย่างนั้นผิดพระบัญญัติหรือไม่แต่ขืนทำด้วยความสะเพร่าเช่นนี้ถ้าการที่ทำนั้นผิดพระบัญญตัติก็ต้องอาบัตตามวัตถุถ้าไม่ผิดก็ต้องอาบัตทุกกฎ รอสงสัยแล้วขืนทมรรมังสาสัตว์คือเนื้อสัตว์ที่เขาไม่ได้ใช้เป็นอาหารเป็นของต้องห้ามไม่ให้ฉันภิสษุสํสำคัญว่าควรแล้วและฉันดังนี้ต้องด้วยสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควรมังสาสัตว์ที่เขาใช้เป็นอาหารเป็นของควรภิสษุสํสำคัญว่า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 อาจจะมีคำถามสอดเข้ามาว่าปรับอาบัตแก่ภิกษุผู้ละเมิดพระบัญญัติด้วยเมละอายหรือแม้ด้วยสงสัยแล้วขืนธทรรมก็ชอบอยู่แต่ภิกษุผู้ล่วงด้วยไม่รู้ด้วยสําคัญผิดไปด้วยลืมสติควรได้รับปรานีไม่ใช่หรือมีคำแก้ว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่จงลองนึกถึงกฎหมายของบ้านเมืองก่อนถ้ายกเว้นให้แก่คนไม่รู้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 ทังจะได้เป็นเครื่องมือสกัดภิกษุอลัตชีไม่ให้ได้ช่องแก้ตัวเช่นนี้แหละข้อมีควรยกเว้นท่านจึงไม่ยกเว้นข้อที่ควรยกเว้นท่านยกเว้นก็มีเช่นทำรรเนียมนุ่งผ้าห่มผ้าเข้ามาบวชใหม่ยังไม่เคยทำไม่เป็นก็ยังไม่ถูกปรับอาบัติถ้ายัางมุ่งว่าจะสำเนียกเพื่อทาเป็น ท่านปรับแต่ผู้เป็นแล้วแต่ทอดทุราเสียอาบัติที่ต้องด้วยอาการหกนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหน้าที่ของภิกษุผู้ต้องจะทําคืนด้วยวิธีนั้นๆดังกล่าวแล้วในหนหลังถ้าปิดบังทอดทุราเสียเป็นหน้าที่ของภิกษุอื่นผู้รู้เห็นจะพึงตักเตือนภิกษุนั้นเองด้วยเมตตาในเธอ หรือถ้าดื้อดึงแม้จะพึงโจดท้วงห้ามการฟังพระปาติโมกในถ้ำกลางสงด้วยเห็นแก่พระศาสนาและเป็นหน้าที่ของสง์จะพึงตามสมควรแก่พระธรรมวินัยเหตุดังนั้นภิกษุควรประพฤติตนเป็นคนซื่อตรงให้สมเป็นที่วางพระหารัไทของพระศาสดากิริยาที่ประพฤติให้เสียความวางใจของท่านย่อมเลวซาม ไม่สมควรแก่สมณะเลย